จเจริญสุขท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าบทเรียนสำหรับพุทธป ร, ระวัติต่อไปในคราวครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงความปรารถนาห้าประการของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนี้ได้ปรารถนาไว้ตั้งแต่ยังเป็นราชกุมารอยู่ ขอโทนิสักครั้งหนึ่งว่าความปรารถนานั่นห้าประการนั่นคืออะไรบ้างห้าประการนั่นคือหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้รับอภิเษกเป็นพระเจ้าแผนดินในมครทัตนี้เถิดข้อสองขอให้ท่านผู้เป็นพระอรหันต์ผู้รู้เองเห็นเองโดยชอบพึงมาอยังแว่นแคว่งของข้าพเจ้าข้อที่สามขอข้าพเจ้าพึงได้เข้าไปนั่งใกล้พระอรหันต์องค์นั้น ข้อที่สี่ขอพระอาหารหันต์องค์นั้นพึงสแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าและห้าขอขอข้าพเจ้าพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระอาหารหันต์นั้นความปรารถนาของพระเจ้าที่มีสารทั้งห้าข้อนี้สําหรับข้อหนึ่งนั้นพระองค์ได้สําเร็จความประสงค์ไปแล้วนานแต่อีสีข้อนี้พึ่งจะมาสําเร็จวันนี้เอง ตอนที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ที่รัติวันสวนตาลหนุ่มนี้ทำไมพระเจ้าพิอานในความปรารถนาของพระเจ้าพิมิสารทั้งห้าข้อนั้นในสี่ข้อเบื้องหลังนั้นเกี่ยวกับเรื่องพระ อ, อรหันต์ทั้งนั้นในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าเหตุที่พระเจ้าพิมิสารนั้นทรงปรารถนาเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในครั้งกันนั้นมีพวกที่เป็นเจ้าลัทิ หรือเรียกว่าเป็นศาสนาอยู่มากใครๆก็ประกาศตนเองว่าเป็นศาสนาเป็นผู้ศัดสู่เองโดยชอบโดยที่ไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนแต่ละคนก็ประกาศตนเองว่าเป็นพระอรหันต์แม้กระทั่งนักบวชที่ไม่นูพาก็ประกาศตนมาเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมิสานีก็เกิดบุญมติกังขาคื อ, อ, อพระองค์ทรงสงสัยอยู่เรื่อยหรือคล้องพระทัยอยู่เรื่อยว่ะ ใครกันแน่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงในปรารถนาสี่ข้อเบื้องหลังนั้นเกี่ยวกับเรื่องพระอรหันต์ถึงนั้นเมื่อพระองค์นั้นได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์พอจบพระธรรมเทศนาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือว่าเป็นพระโสรดาบันนั้นก็เรียกว่ามีความหมดความสงสัยอย่างแน่นอนว่าพระอรหันต์นั้นคือองค์ผู้เด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้อื่นนั้นหรือว่าศาสดาอื่นนั้นไม่ใช่อารหันอย่างแน่นอนอันนี้เพราะตัวเองได้รู้แจ้งเห็นธรรมะที่เรียกว่าธรรมาจากสุจนเป็นพระสว่าเป็นพระโสะดาบันแล้วเพราะบุคคลตั้งแต่ได้เป็นพระโสะดาบานันนี้เป็นผู้หมดความสงสัยเคลือบแคลงในในพระตนตรยัยเป็นผู้ที่มีสถาตั้งมั่นมีสถาไม่คลอนแคลนในพระตนตรยัย เพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมีฐานี้จึงได้กราบทูลความปรารถนาของพระองค์ตนเองว่าสําเร็จครบบริบูรณ์หประการในวันนี้นั่นเองเมื่อพระเจ้าพิมิาสาร์กราบทูลฉะนั้นแล้วก็จึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกแล้วกราบทูลเชิญเสด็จพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุสงฆ์หนึ่งพันสามลูกนั้นเพื่อเสวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศในวันพรุ่งในวันพรุ่งนี้ตอนเช้า เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบว่าพระพุทธองค์ทรงรับแล้วก็ทรงลุกออกจากที่ประทับอาพิวา ป, ประทําประทักษิณและเสด็จในรุ่งเช้านั่นเองในร่งเช้า ว, วันรุ่งขึ้นพระองค์ก็ทรงอังฆาดพระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งพันสามลูกด้วยอาหารอันประณีตด้วยพระหัตของพระองค์เอง เสร็จแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าพระองค์นั้นต่อจากนี้ไปขาดพระรัตนตรัยไม่ได้แต่การที่พระองค์มันจะประทับอยู่ที่เวลุวันอาที่อยู่ที่สวนตามหนุ่มลัทธิวันนั้นห่างไกลามากยากแก่การที่จะไปมาหาสู่ลึศดิษไปเฝ้าดังนั้นพระองค์ก็เห็นว่า <c oughs> พระราชะอุทยานของพระองค์แห่งหนึ่งที่เรียกว่าพระญาตอุยอาเวรุวันพ ร, พระอัมพราอุทยานสว น, นไม้ไผ่เป็นสถานที่เหมาะสําหรับผู้ที่บําเพ็ญผู้ที่จะบําเพ็ญสมณธรรมหรือผู้ที่เป็น พ, พระภิกษุสงฆ์เพราะกังวันนั้นก็ไม่แออัดไปด้วยคู่คนกลางคืนนั้นก็เงียบสงบไปด้วยเสีย ง, งต่างๆและก็ไม่ไกลนะักพอไปมาหาสะดวก ก็จึงได้จับพระเจ้าทองแล้วทรงหลังน้ำที่โนทกถวายพระราชอุทยานเวลุวัน่สวนแม่ไผ่ซึ่งเป็นพระราชอุตยานของพระองค์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานพระพุทธองค์ก็ทรงรับแล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนา ภาวนาให้อาถานเลือ่อนลานให้อาถานเลือ่อนเลือ่อนในสมนาปฏิบัติตามทุกขควรจรึงได้เสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันนั้นพระเวฬุวันมหาวิหารนีนับว่าเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนานนที่พระเจ้าพิมิสารถวายอยู่ที่กรุงราชครึกเป็นวัดแรกซึ่งยังไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งได้ถวายมาก่อนตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ทรงให้รับ สถานที่หรือว่าที่ดินที่ท้ายยกทายิกามีสทาเลื่อมสายถวายไว้สำหรับที่จะปลูกสร้างเป็นอารามได้ต่อไปครั้ <c oughs> นั้นก็มีมานกสกุลพรามสองสกุลด้กันสองสหายด้วยกันสหายหนึ่งหรือคนหนึ่งชื่อว่าอุปติสะอุปติสะม า, ามานพผู้นี้ มีบิดาชื่อว่าวังคันตะพรามแล้วก็มารดาชื่อวนางสาลี <c oughs> บิดาของชื่อว่าวังคันตะพรามนี้เป็นนายบ้านเข้าใจว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมีชื่อโคดว่าอุปติสะชื่อโคดนี้คือนามสกุลสหาย มีลูกชายคือเออยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าอุปติสานี้ก็ชื่อตามโคตแล้วอุปติสานี้ก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนลุ่นลาวเาวเดียวกันชื่อว่าโกริตะโกริตะผู้นี้เป็นบุตรของโกริตะพราม์คือเรียกกันชื่อตามโคตชื่อโกริตะเขาก็เรียกชื่อตามพ่อว่าโกริตะเหมือนกัน แล้วก็มีมารดาชื่อว่านางโมคลีโกริตาผู้เป็นพ่อนั่นก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งสองอทั้งสองเสานี้อยู่ที่บ้านตำบลนาลันทานตาบลเดียวกันแต่ห่างกันประมาณสักครึ่งโยต์ค ร, ครึ่งกิโลครึ่งกิโลเมตรบ้านสองบ้านนี้ตระกูลท้งองสืบองตระกูลนี้ปรากฏว่าได้เคย เป็นสหายกันมารู้จักกันมาแล้วชั่วงเจ็ดอายุคนเนี่ยเป็นสหายกันมาเพราะฉะนั้นทั้งสองทั้งสองคนนี้อุปติสสะโกริตะนี้ก็มาเป็นสหายกันอีกอุปติสสะโกริตะทั้งคู่นี้เกิดในตะกูที่มั่งคั่งซึ่งปรากฏว่าอุปติสสะนั้นมีบริวารกับโกริตะนั้นมีบริวารคนละห้าร้อย อุปติสารนี่เมื่อจะไปในที่ใดก็าตามก็จะนั่งรถเทียมมะส่วนกุลิตะจะไปในใดใ น, ใ น, ใ, นในที่ตามใดก็าตามก็นั่งเสลี่ยงไปทั้งสองสหายนี่เป็นเพื่อนรักใคร่กันมากในว่ามันก็เงาตามตัวเมื่อจเจริญเติบวัยพอจะได้ศึกษาแล้วก็ศึกษาจนกระทั่งจบลรทีปของพรามณ์คือจบปลายเพศด้วกันทั้งคู่สองสหายนี่ <c oughs> <c oughs> จะไปในที่ใดก็ตามก็มักจะไป อ, อ่ไปเที่ยวด้วยกันมีงานนักขัดเราะก็ไปไปด้วยกันแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันถึงคราวล่าเริงในสิ่งที่ควรล่าเริงก็ล่าเริงด้วยกันถึงคราวเศร้าโศกเมื่อสุดูการลเล่นก็เกิดความเศร้าโศกด้วยกันครั้งหนึ่งสองสหายนี้ได้ไปดูงานที่กรุงราชคลือ ซึ่งเป็นงานกีฬาคัทสมัตชังคือเป็นงานที่มโหสถที่เขาเล่นกันบนยอดภูเขาซึ่งเป็นงานประจําปีของกลุ่มราชครุสามปีจะมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งเป็นยาเป็นนามีครั้งหนึ่งงานประมาณหนึ่งเดือนมีการเล่นทีมโหฬารมากสองสหายนี่ก็ไปดูงานด้วยกันพร้อมด้วยบริวารบริวารก็จัดให้นั่งจัดเก้าอี้ให้นั่งมีสถานที่ให้นั่งติดกันแต่วันนั้นทั้งสองสหายนี้ ดูการเล่นแล้วไม่ได้เกิดความร่าเริงหรือความสนุกเลยต่างโกนต่างมองหน้ากันแล้วก็ถามกันว่าเป็นยังไงอุปติสสะมนุก็บอกว่าคนเรานี่เกิดมาอายุไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตายหมดแม้จะเป็นเรารู้ว่าผู้สีแสดงก็ตามชีวิตคนเรานี่เกิดมาก็ ไม่เห็นมีประโยชน์หลยคอยแต่วันตายเท่านั้นเองอุปสารอุปติอามโพลิตาก็คิดเห็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยเบื่อหน่ายในชีวิตของตัวเองคิดที่จะแสวงหาเจ้าละทิในละทิหนึ่งที่เห็นว่ามีสาระทั้งสองสหายนี้ก็จิงได้เที่ยวค้นคว้าหาครูอาอาจารย์หรือศาสดาต่างๆที่ตนเอง ที่มีชื่อมีเสียงที่ใครๆเขาลับนับหน้าถืตาก็เข้าไปไต่ถามแต่ล ะ, ละที่ของอาจารย์เหล่านั้นก็ไปชอบใจในที่ของอาจารย์สนชัยอาจารย์สนชัยปริภาชกเมื่ <c oughs> อตนเองพอใจในที่ของอาจารย์สนชัยปริภาชกแล้วก็จึงได้ชวนกันออกบวดเป็นปริภาชก ในการออกบทเป็นบริพาชกนั้นก็ได้ชนบริวารของตนเองทั้งห้าร้อยคนทั้งคู่ออกบทด้วยแต่มีบริวารทั้งสองคนนั้นติดตามออกบทเพียงห้าร้อยเท่านั้นเองคือไม่ยอมอีกห้าร้อยไม่ยอมออกบทยอมออกบทเพียงห้าร้อยเท่านั้นก็บทเป็นปริพาชกอยู่สนับของอาจารย์สนชัยที่ครุงราชคลุดน่นเองซึ่งอาจารย์สนชัยนี่เป็นบรรดาเป็นอาจารย์ คนหนึ่งในบรรดาอาจารย์หกคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นอยู่เล่าเรียนละทิของอาจารย์นี่จนหมดความรู้ของอาจารย์ก็จึงได้ถามอาจารย์ว่าความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้มีอีกไหมอาจารย์สนชัยก็ยอมรับตรงๆว่าหมดแล้วความรู้แล้วก็ได้สรรเสริญปริพาชก สองสหายคืออุปติสะปริภาชกกบโกริตะปริภาชกทั้งคู่นี้ว่าเป็นคนที่มีปัญญาดีสามารถเรียนแล้วมีความรู้เท่ากับอาจารย์แล้วก็ทรงแต่งแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่จะสอนเราสิทธิผู้มาใหม่อีกต่อไปแต่ทั้งสองสายนี้ไม่พอใจยังไม่พอใจในลทัทีที่ตนเองเรียนอยู่จะแสวงหาละที่ให้ยิ่งยิ่งไปกว่านี้หรือเรียกว่าวิชาการให้ยิ่งไปกว่านี้ ก็จึงได้นัดหมายกันสองคนระหว่างอุปติสสะปริพาชกกับโกริตาปริพาชกว่าถ้าหากว่าบุคคลใดนั้นได้รู้ถือได้ได้รู้ไ ด, ได้ ร, ดรู้หรือว่าได้รับทราบโมกคลธรรมก่อนแล้วก็ขอให้กลับมาบอกกันด้วยอย่าได้หนีกันไปเสียทั้ทงสองคนนี้ก็ได้ทํากติกาคือว่าทําพันยากันไว้วันหนึ่ง ผู้ปฏิสัปริภ า, าชกกําลังเดินไปปริภาช ก, การลามคือไปสํานักของอาจารย์สชนไฉในกรุงรัชกรืก็ได้พบท่านพระอัจฉริเทระกําลังออกบิธาบาตดูท่านพระอัจฉริเทระผู้นี้ก็เป็นพระภิกษุอยู่ในจํานวนปัญจวัคคีทั้งห้าชื่นเป็นน้องน้อยที่สุดในจํานวนปัญจวัคคีทั้งห้านั้นเข้าใจว่าท่านผูกฟัง คนยัไม่ลืมกันคือได้แก่อันพระัญญากณทัญญาพระวปะพระพัทถยะพระมหานามและพระสิธิพระสุจินี่ับว่าเป็นน้องน้อยที่สุดในบรรดาบรรดิวคีทั้ง5ที่พระพุทธองค์ได้ทรงไปประกาศพระศาสนาก็ได้กลับมาเยี่ยมกราบพระบาทพระพุทธองค์ที่พระเวฬุวันมหาวิหาร แล้วในตอนเช้าวันหนึ่งก็วันวันนั้นก็จิงได้ออกบินธบัติออกบินธบัติในกลุ่มนาจคือปรากฏว่าทาา่านพระสิจิเทระนี่เป็นผู้ที่มีมารยาทงามมากอาการหน้าเริมใสจะเดินไปข้างหน้าก็ตามหรือจะถอยหลังก็ตามนจะก้าว ก, กลับอก้าวไปข้างหน้าหรือว่าจะถอยหลังก็ตามจะเหวี่ยงซ้ายแลขวาก็ตามเต็มไปด้วยอาการสำรวมทั้งนั้น มีอาการหน้าเรื่มสายมากอุปติสสะปริพ า, าชกพอเห็นพระมหาพระอัจฉิเทละเช่นั้นเองเกิดความเรื่อมสายว่าตนเองไม่เคยเห็นสมณะอื่นเมื่อก่อนที่มีอากัปกริยามารยาทอันอันหน้าเรื่มสายเช่นนี้นุ่งผมก็เป็นปริมณทนอุปติสาะปริภาชกนั้น ด้วยอำนาจความเรู่อมาสก็นึกเลยเชืว่วว่าในบรรดาที่เขากล่าวกันว่าอภรรษาในโลกนั้นพระเถระองค์นี้ก็จะต้องเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นแน่นอนเสร็จแล้วก็ใครอยากจะเข้าไปถามดูแต่ว่าผู้ปฏิสัพปริภาชคนี้ได้รับการศึกษามามากก็เห็นว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาอสมควรเพระเหตุว่าทา่านกาลังออกบิธบาดอยู่ คที่เราจะเข้าไปทักถามเพราะจะเป็นการเสียเวลาบิธาบาสของท่านก็เลยติดตามไปข้างหลังจนกระทั่งท่านพระอาชาิเทระนี้รับบิธาบาสอาหารับบิดาบาสจากญาติโยมที่มีสตานแห่งกลุมราชคืเห็นว่าพอสมควรแก่ที่จะเรียกอัตภาพร็จแล้วก็จึงได้ออกลีกออกจากคนทมบิธาบาส ไปหาที่ล่มเงาแห่งหนึ่งเพื่อที่จะฉันพระตาหารอุปติสสะปวิพาชงนี้ก็ติดตามไปก็เห็นว่าท่านนั่งลงเพื่อก็รู้ว่าท่านจะฉันอาหารก็จึงได้จะหาน้ําชันชายน้ําฉันมาให้ถวายท่านรอจนกระทั่งทาง่านฉันเสร็จและจึงได้เข้าไปถาม นี่อันนี้เป็นมัน ญ, ญาติอย่างหนึ่งสาหรับพาที่สุสมมเนธนั้นที่ญาติโยมจะทุ่นเข้าไปหานั้นจะถามถ่ายเรื่องอะไรนั้นควรจะให้ท่านเนีฉันซะก่อนนี่เป็นระเบียบอันหนึ่งซึ่งควรรู้หรือควรอควรรับทราบไว้อุปติสวบริภาชกนั้นก็จึงได้เข้าไปถามว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านนั้นผ่องใส ย, ยิ่งนัก ผิวพันธ์ของท่านก็หมดจดดีนกะท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครท่านพระอัสชิเถระก็จึงได้ตอบว่าผู้มีอายุเราบวชเฉพาะพระมหาสมณนะผู้เป็นโอรสแห่งศากยะสกุล พระองค์เป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมะของพระองค์อุปติสสะบริพาโชก็ จ, งกจึงได้กล่าวถามต่อไปอว่าพระศาสดาของท่านนั้นสั่งสอนมาอย่างไรท่านพระสิชิถะก็พิจารณานดูแล้วว่าอุปติสสะผู้นี้หรือบริาบพาโชผู้นี้เป็นนักบวชนอกศาสนาต่างคนต่างศาสนากัน ถ้าหากว่าเราต่อไปในทางไม่ดีก็จะเป็นการเสื่อมเสียแก่พุทธศาสนาจะเป็นที่เขาจับผิดอาได้เพราะฉะนั้นเราจะกล่าวคำที่ยากู้วาลึกซึ้งเพราะฉะนั้นพระเจ้าเทสะท่านก็จริงกล่าวว่าผู้มีอายุเราเน่ยเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ไม่นานนะ เราจะไม่อาจแสดงทำโดยพิสดารได้จะกล่าวแต่เพียงย่อพอรู้ความธรรมนั้นเองและจึงได้กล่าวไว้ว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระศ า, าสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้นี่ท่านพระอาชิชิเถระท่านได้แสดงธรรมแก่อุปติสะนั้นเป็นคำ ย, อย่อๆว่าทำใดเกิดแต่เหตุ ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี่มันจะต้องมีเหตุมีเหตุมันถึงจะเกิดขึ้นพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นก็คือทรงแสดงเหตุแห่งธรรมที่จะเกิดนะหมายความว่าคนเราซึ่งจะมีความทุกข์ั้นอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่พระองค์ทรงแสดงเหตุเป็นเหตุต้นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ ก็ได้แก่สมุทายนั่นเองนี่แล้วก็แสดงความดับแห่งธรรมนั้นหมายความว่าไอการที่ทําเหล่านั้ น, น, นรู้สิ่งนั้นจะดับไปได้มันก็ต้องมีเหตุเ ห, เหมือนกันนี่พระองค์ทรงแสดงสั่งสอนอย่างนี้ก็หมายความว่าที่ท่านพระอาตชิเถระนั้นได้กล่าวแก่ท่านอุปติสสะปริภาชกนั้นก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุ แลที่จะดับหรือจะหายไปได้ต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยๆหรือว่าดับไปลอยๆอุปติสสะบริพาโชกพอได้ฟังเท่านั้นเองก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยรู้ชัดแจ้งเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลรูน ม, มีความดับไปเป็นธรรมดามีแสดงเลยรู้ชัดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วดับไปหมด คุยง่ายว่าคนเราเกิดมาทลายตายเท่านั้นสิ่งใดที่เกิดขึ้นในโลกสิ่งนั้นก็ย่อมแตกสลายไปเป็นธรรมดานี่เป็นธรรมดาของลักษณะของอนิจจละขณะหรือว่าอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงมีการพันทวไปแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดได้ดวงตาให้ทำเลยสแสดงเพียงธรรมะเพียงคาถาบ่ายคาถาเดียวเท่านั้นเสร็จแล้วอุปสิสสปริภาชกนีพรดนเองได้ดวงตาให้ทำเช่นนี้แล้ว ก็จึงได้เรียนถามท่านว่าบัดนี้พระบรมศาสดาของเรานะ่ะประทับอยู่ที่ไหนท่านพระชี้เทละก็บอกว่าประทับอยู่ที่พระเวุวรมหาวิหารนี่ประทับอยู่ที่พระเวรวรมหาวิหารนะอุปติสสะก็บอกว่าถ้าเช่นั้นขอท่านอาจารย์กลับไปก่อนส่วนก็ผมนั่นเนี่ย มียังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งส่วนอย่างผมนั้นยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งได้ทำสัญญากันไว้ว่าจะเมื่อบุคคลใดได้บรรลุโมกะธรรมแล้วจะต้องกลับไปบอกกันแล้วผมนั้นจะนาเพื่อนของผม อ, อีของกระผมอีกคนหนึ่งนั้นไปเฝ้าพระศ า, าสดาที่กันก็จึงได้ส่งท่านพระมหาท่านพระอชิเทระนั้นกลับยังพระเวรุวันตนเองก็ บุ่งกลับมาที่ปริภาชัการรามคือสำนักของอาจารย์สนชัยโกริตะปริภาชกอยู่ที่อารามนั้นเห็นอุปติสะเดินมันที่ไกลวันนี้ก็เลยนึกแปลกใจกว่าทำไมวันนี้หน้าตาของอุปติสะสหายนั้นนะ่ะผองใสายเหลือเกินคงจะได้บรรลุ โมฆะธรรมอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่ออุปติสสะปริพาชกเข้ามาใกล้ๆนั้นก็จึงได้ถามว่าไงเพื่อนวันนี้คงจะได้บรรลุโมฆะธรรมาแล้วสิ ด, ดูหน้าตาของท่าน น, นสดใส น, นะอุปติสสะปริาพราชกก็บอกว่าใช่เราได้บรรลุโมกะธรรมแล้วขอไว้ท่านนั่งลงแล้วเราก็จะเนเราจะกล่าวให้ฟังอุปติสสะอ่อุปติสสะปริาพราชกก็จริงได้ ตามคําที่ท่านภาษาท่านพระอัจฉริกล่าวให้แก่โกริตปบริพาชกฟังโกริตาบริพาชกพอฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันเหมือนได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันเหมือนกับอุปติสาวบริพาชกที่ได้ฟังจากท่านพระอชชัจฉริเทระเมื่อทั้งคู่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ถามว่า พระบูมมศาสนาของเราประทับที่ไหนทั้งสองคนนี้ก็ตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระบูมมศาสดาแต่ว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนที่มีความเคารพในอาจารย์มากก็นัดจังหว่าเราจะไปเลยไม่ได้จะต้องไปกราบลาอาจารย์เสียก่อนคือกราบลาอาจารย์สุนชัยทั้งคู่นั้นก็จึงได้ไปกราบลาอาจารย์สุนชัยอาจารย์สุนชัยนั้นก็พยายามทักท้วงอยู่ตรงตานานา ขออย่าให้ไปขอให้ช่วยสั่งสอนบรรดาสารุสิทธตที่เข้ามาใหม่ให้ทําประโยชน์กันทั้งสองสหายนี่ก็ไม่ฝไม่ยอมอาจารย์อาจารย์สนชัยก็จมใจนอกจากที่วันลาอาจารย์สนชัยแล้วน่ะสองสหายนี่ยังชวนอาจารย์สนชัยชวนอาจารย์สนชัยให้ไปฝ้าผู้บงศัตรูด้วยกันอาจารย์สนชัยเขบอกว่าไอ้การที่ตนเองน่นะ เคยเป็นศาสดาของคนอื่นแล้วให้จะกลับไปเป็นอาจารย์อีกไปเป็นอาจารย์คนอื่นเอาไปเป็นที่จะกลับไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นนันนะ่ะมันทําได้แสนยากถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับจระเข้ที่อยู่ในตุ่มจะกลับหัวจะกลับหางทีมันแสนจะลำบากสองข้างไหลก็จริงได้กล่าวว่าบัดนี้เนะ่ะประชาชนทั้งหลายนั้นเขาถือดอกไม้ถูกเทียนไปฟอกผู้รู้มา ส, สดาทรรมนั้นนักอาจารย์จะทำอย่างไร อาจารย์ชนชัยก็จริงได้ถามขึ้นว่าคนในโลกนี้เนี่ยคนโง่มากหรือว่าคนฉลาดมากสองสหายก็จริงได้บอกอาจารย์จริงได้ไ ด, ได้ได้กล่าวว่าในโลกนี้เน่ะคนโง่มากกว่าคนฉลาดอาจารย์ชนชัยก็จริงได้กล่าวว่านั่นแหละเพราะเหตุที่ว่าคนมากคนโง่มากนั่นเนี่ยกว่าคนฉลาดทั่งสี่เราจริงจะอยู่ได้คือคนที่ฉลาดฉลาดก็จะไปเฝ้าพระศาสดาพระบรมศาสดา แต่คุณโง่นั้นจะมาสํานักของเรามี่อาจารย์ท่านชากล่าวอย่างนี้สองสาขายกโจนใจชวนอาจารย์ทลายทลายด้วยความเขารบต้องการจะให้อาจารย์เนี่ยอ่ในพ้นทุกข์บ้างแต่อาจารย์ก็ไม่ยอมก็จนใจก็จึงได้กล่าวพระอาจารย์แล้วก็ชวนล่า uh, บริวารท่าตนเองซึ่งมาบวชเป็นปริภาชกทั้งห้ารอย บริวาทของตอนนั้นทั้งห้าลอยนั้นในอันดับในในครั้งแรกก็ติดตามมาพอใจที่จะมาด้วยแต่พอมาถึงกลางทางก็กลับใจเสียไม่ยอมติดตามไปด้วยยังติดใจอยู่ในสำนักของปริภาชกคือยังติดใจอยู่ในจานทังชัยก็กลับไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จึงไม่มีปริภาชกที่ติดตามสหายทั้งสองคือ อุปติสสะปริพ า, าชกกับโอริตาบริพาชกไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่พระเวรุวันมหาวิหารนั้นเพียงสองร้อยห้าสิบคนเท่านั้นคือกับเ5 0ยสอง้ห้าสิบก็เหลือเพียงสอง้ห้าสิบคนเท่านั้นเอาแล้วท่านสาธุชนและท่านานักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอหยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความจเจริญพาสุก จงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรท่านผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าหลักสูตรของพุทธประวัติต่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้กล่าวถึงตอนที่สองสหายคืออุปติสปริภาชกและโกริตะปริภาชก พร้อมด้วยบริวาร250คนซึ่งเป็นบริพาชกวต่งนั้นได้มาเฝ้าพระบรมศาสดาทั้งสองสาายทั้งพร้อมบริวาร น, นี้ได้มาเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเวฬุวันมหาวิหารเมื่อไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็จึงได้ทูลขออุปสมบทพระองค์ก็สมงอนุญาตให้เป็นพระภิกษุคือให้รับให้อุปสมบท ให้เป็นพิสูจนด้วยกันหมดทั้งสิ้นปรากฏว่าภิสษุผู้เป็นบริวาร น, นั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศ า, ศาสดาและบรมเพล ย, ยงก็ได้สำเร็จเป็นพระทหารก่อนทั้งหมดทั้งสองร้อยห้าสิบแต่ส่วนอุปติสสะปริภาชก อ, อุปติสสะ กับโกริะนั้นทั้งสองลูกนี้ยังไม่ได้สำเร็จมกผลพิพันธ์อุปติสสะสริพาชกนั้นเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วผู้สหธรรมิกภิกษุทั้งหลายได้เรียกชื่อของท่านว่าพระสาริบุตรเนื่องจากเหตุว่าอุปติสสะนี้เป็นบุตร ชายของนางสาลีพรามณีก็จึงได้เรียกชื่อสมัยว่าสาลิบุตรก็แปลว่าพระลูกชายของนางสาลีนั่นเองส่วนโกริตะปริภาชกเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วสหธรรมิกภิกษุด้วยการ น, นั้นเรียกชื่อท่านว่าโมคลานะก็เพราะเหตุที่ว่ามารดาโยมารดาของท่านนั้น มีนามว่าโมคคลีพลระมณีก็จึงได้เรียกชื่อทันสมัยว่าโมคขลานะแปลว่าเหล่ากอของนางโมคค ล, าาลีหรือว่าพระลูกชายของโมกคลีนั่นเองเนี่ยก็นิงชื่อสมัยว่าโมคขลานะ่นะสําหรับชื่อนี้ที่เปลี่ยนไปนี้ขอให้นักศึกษานั้นจงกําหนดให้ดีถ้าหาว่ากําหนดไม่ดีแล้วจะสับกันเคยมีปัญหาทางสนามหลวงออกว่า ภาษาลีบุรกับอุปติสสะเป็นอะไรกันเนี่ยบางนักเรียนบางท่านไปตอบว่าเป็นเพื่อนกั น, นโกลิตะกับพระโมคคัลลานะเป็นอะไรกันบางคนก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันนี่ไปตอบสิ่งกันความจริงเป็นคนคนเดียวกันแต่ว่าตอนที่เป็นอุปติสสะหรือโกลิตะนั้นได้ชื่อตอนที่เป็นครวาสหรือเป็นปริภาชก แต่พอมาบวชแล้วอุปติสสะริพาชกนี้มีชื่อใหมท่ที่ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าสารีบุตรภาษารีบุตรส่วนโกริตะนั้นภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าโมฆลลานะเพราะฉะนั้นจำให้ดีอย่าได้สับสนในข้อ น, นี้ก็มีปัญหาสอบคือมาว่าทาไมพระโมฆลลานะ พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะนี่เป็นคนที่มีปัญญาดีกว่าบริวารแต่ว่าปรากฏว่าสําเร็จเป็นพระนั่หันที่หลังบริวารอันนี้ถึงกล่าวว่าสําหรับคนที่มีปัญญาดีนั้นเมื่อฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วยังไม่ยอมเชื่อง่ายๆจะต้องพิจารณาซะก่อนแต่ส่วนบุคคลที่มีปัญญาน้อยนั้นเมื่อเขาพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเชื่อง่ายเมื่อเชื่อง่ายแล้วมันก็สามารถบรรลุในง่าย หรือสำเร็จมาผลนิพพานง่ายนี่ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับว่าคนที่มีปัญญาไม่ค่อยดีนั่นเนหะมือนกับคนธรรมดาคนธรรมดาเรานึกจะออกไปไหนก็ออกไปได้เช่นเราต้องการจะออกไปซื้อของในตลาดเราก็สามารถจะไปได้ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นพระราชามหากษัตริย์จะเสด็จไปไหนทีนั้นจะต้องตระเตรียมกันอย่างโกลาหน จะเสด็จไปอย่างก็คนธรรมดาสามัญไม่ได้นี่ฉัน้นใดก็ดีนี่ทําเปรียบเทียบให้ฟังหมายความว่าคนที่มีปัญญาดีแล้วก็เมื่อได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไม่เชื่อง่ายๆจะต้องพินิษพิจารณาดูสัก่อนว่าเรื่องนี้มันสมเหตุผลหรือไม่เมื่อพิจารณาได้แล้วเน่ยจึงจะยอมรับว่าเชื่อหรือไม่ไม่เชื่อแต่บุคคลที่มีปัญญาไม่ดีนั้นพอเขาว่าไหนเชื่อเลยเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีปัญญาไม่ดีเนี่ยมันก็เป็น ผลเสียได้เหมือนกันคือถ้าหากว่าบุคคลใดมารวงในทางสิ่งที่ไม่ดีในทางที่ชั่วก็มักจะถูกคั่นรวงเสมอไปนี่เพราะฉะนั้นสองสหายผู้นี้ถึงมีปัญญาดีคือท่านพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะนี้จึงยังไม่สําเร็จพระอาหารหันต์จึงได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในหลังพวกบริวารทั้งหมดฝ่ายท่านพระโมคคัลลานะนี้นับตั้งแต่อุปสมบทมนแล้วได้เจ็ดวัน กิ <c oughs> นได้สําเร็จเป็นพระหลานท่านกล่าวว่าเมื่ออุปสมบทได้นั้นนะ่ะได้ไปทําความเพียรอยู่ที่บ้านกาลวาลรมุตคามแขวงเมืองมคตแต่ว่าไปกระทําความเพียรอยู่นะ่ะอ่อนใจนั่งโงกง่วงอยู่สับพงกอยู่เหตุการณ์ที่ว่านั่งโงกงงหรือสักพงกอยู่นั้นนะ่ะท่านกล่าวไว้ว่า สมาธิมากเกินไปแต่ว่าวิริยะน้อยในที่นี้ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลใดก็ตามถ้าหากว่าสมาธิมากเกินไปวิริยะน้อยเวลากระทําความเพียรมักจะง่วงเหงาเขานอนแต่ถ้าบุคคลใดสมาวิริยะมากเกินไปสมาธิน้อยจิตใจก็มักจะฟุ้งซ่านยกตัวอย่างเช่นพระโสนโกริวิสัท คร่ำเคร่งเกินไปมีวิริยะเกินไปแต่ว่าสมาธิน้อยเดินจงกรมจงกระท่งเท้าแตกก็ไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะว่าจิตใจยังฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธินั่นเองทําความเพียรอย่างไงก็ไม่ได้มากไปก็ไม่สำเร็จส่วนธ่านโมคะลานะนี้สมาธิมากแต่วิริยะน้อยจึงได้ง่วงวงพระ บ, บรมศาสด า, สดา ท, ทรงเสด็จอาบขึ้นก็เสด็จไปที่นั้นก็จึงได้ทรงอุบายสําหรับแก้ ง, ง่วงความง่วงนั้นน่ะ สั่งสอนท่านถึงแปดประการด้วยกันอุบายสำหรับแกงง่วงอันนี้ขอให้นักศึกษาเนี่ยจงฟังกำหนดไว้ดีให้ดีๆและก็เป็นประโยชน์ด้วยสำหรับในการที่ว่าเป็นการเป็นข้อสำหรับแกงง่วงในข้อที่หนึ่งนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนโมคลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดความง่วงนั้นย่อมครอบงาได้ เธอควรทำในใจซึ่งสัญญาอย่างนั้นให้มากๆข้อ น, นี้จะเป็นเหตุให้ท่านละความง่วงนั้นได้อ่นี่ฟังให้ดีนะดูก่อนโมคลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดความง่วงนั้นย่อมคลอบนำได้เธอควรทําในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากๆข้อ น, นี้จะเป็นเหตุ ให้ท่านละความง่วงนั้นได้เออในข้อนี้ฟังแล้วชบับกลว่ามีสัญญาใด ๆ, ๆแล้วก็ความง่วงมันเกิดก็ให้ทําสัญญานั้นให้มองมากมันไม่ง่วงหนักไปหรืออืมถ้าเราคิดไปดีแล้วก็เป็นอันมัน ง, ง่วงหนักคล้ายๆว่าเราคิดจริงๆหนึ่งจริงใดแล้วเกิดหลักขึ้นมาก็ให้คิดสิ่งนั้นมาก็ก็จะหลับใหญ่แต่ความจริงแล้วในธรรมะข้อนี้นั้นท่านให้ใช้วิธีที่เรียกว่าประเภทที่ว่าเกลือจิ้มเกลือหรือว่าน้ำยอกเอาหนามบก เป็นประเภทเดียวกันในข้อนี้อาตมาก็โดยฟังท่านเจ้าคุณเพศศิทธิมุนีอาจารย์ใหญ่วิปัสนากรรมฐานท่านเคยสอนนะว่าในขณะที่เจริญกรรมฐานนั้นเท่าเกิดความเจ็บปวดที่ไหนเช่นหัวเข่าเกิดปวดขึ้นมาก็ให้เอาจิตใจน่ยเอาใจน่ไปจดจ่อที่หัวเข่านั้นและให้ภาวนาว่าเจ็บหนอเจ็บหนอภาวนาจนกระทั่งหายเจ็บ นี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคือรูว้วกแก้โดยใช้วิธีแก่เมื่อเกิดคือความง่วงขึ้นมาก็ใช้สิ่งนี้แก้เป็นประเภทที่เรียกว่าอันหนามย่อมหนังบกเพราะฉะนั้นพระองค์มจริงบอกว่าถ้ามีสัญญาอย่างใดสัญญาคือความจําอย่างใดแล้วเกิดความง่วงขึ้นมาก็ให้ทํญญ า, าทสัญญาให้มากคือให้ทําสัญญาให้ระลึกถึงความจำแล้วให้ออกมาอันนี้จะเ ป, เ, เป็นเหตุเป็นเหตุข้อหนึ่งให้ใ ห, ให้ละความง่วงใดนี่เป็นข้อที่หนึ่ง ในข้อที่สองพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมะที่ตนได้ฟังแล้วและได้เรียนแล้วอย่างไรด้วยใจของตนเองข้อนี้จะไปเหตุให้ท่านละความง่วงนั้นได้ในข้อนี้ก็พระองค์ทรงให้ตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมะที่ตนเองได้ฟังและได้เรียนมาแล้วเช่นวันนี้เราได้เรียนธรรมะ หรือว่าได้เรียนความรู้สิ่งใดจ า, าจากครูมาจากครูที่เดสอนมา mm. เมื่อมันเกิดความง่วงขึ้นมา mm. ก็เอาเอาเอาวิชานั้นที่เราได้เรียนมาเนี่ยมาพิจารณาตรายตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าถ้าองวในเนื้อความในธรรมะข้อนี้เป็นใช่ไหนที่ครูนั้นได้กล่าวอธิบายนั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงอธิบายเป็นอย่างนั้นเหมือนกับอย่างแบบในข้อต้อนเน่ะ ที่ว่าสัญญาอย่างใดให้เกิดความง่วงมันเกิดความง่วงไงทําสัญญาหนั้กมากก็เอาสั ญ, เ อ, สญเอาธรรมะข้อนั้นมาพิจารณาทําไมท่านยิงกล่าวอย่างนั้นว่ามีสัญญาอย่างใดแล้วเกิดง่วงแล้วทําไมถึงให้ทําให้สัญญาหนักมากก็เอาธรรมะข้อนั้นมาพิจารณาไใส่ทองอันนี้แหละเมื่อเราฝ่ใจในการที่พิจารณาใส่ตรองเพื่อจะหาความรู้อันนี้เป็นเหตุทําให้เราห ล, ลืมความง่วงใดหรือขจัดความง่วงใดนี่เป็นข้อที่สอง ในข้อที่สามถ้ายังละไม่ได้เธอควรสาธยายธรรมะที่ตนได้ฟังแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้ก็จะไปเหตุให้ท่านละความงงนั้นได้เมื่อข้อสองเราพิจารณาตรายตรองถึงธรรมะที่เราได้เรียนมาแล้วยังไม่หายงงในข้อสามนี้พระองค์ทรงทร ง, ทรงสั่งสอนว่า ให้สาธยายสาธยายนี่ก็คือท่องท่องบนเลยคือใช้เสียงเนะี่ยเป็นการใช้เสียงนะเวลาท่องให้มีเสียงให้ดังๆเพื่อที่จะให้เสียงนี่ไปกระทบกับแก้วหูเป็นการที่ว่าปลุกระสาทให้มันตื่นตัวอยู่เสมอจะได้ไม่ใหงุดหงนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ถ้าว่ายังละไม่ได้ หมายความว่าเราท่องสาธยายแล้วท่องบนแล้วก็ยังไม่หายง่วงคือท่องไปท่องไปก็ยังยังง่วงอยู่พระองค์ก็ให้ใช้ข้อที่สี่ข้อที่สี่นั้นพระองค์ก็ตรัสว่าแต่นั้นเธอควรย้อนช่องหูทั้งสองข้างแล้วรูปตัวด้วยฝ่ามือข้อนี้จะไปเหตุให้ท่านละความ ง, ง่วงกันได้คือหมายความว่าให้หาคนนกหรือสิ่งหนึ่งสิงใดก็ตามย้อนเข้าไปในช่องหูคือปั่นหูเอง เพื่อปลุกประสาทนะฮะเพื่อปลุกประสาทให้มารู้สึกตัวจะได้ไมหมฮะจะได้หายง่วงแล้วก็รูปตัวได้ฝ่ามือหมายถึงว่าเอาฝ่ามือเราเนี่ยรูปไปตามตัวซึ่งบางคนก็บอกว่าคนที่ง่วงนอนนี่คล้ายๆว่าเลือดลมมันเดินมสะดวกเพราะนั้นก็มือเนี่ยลูปไปตามตัวเพื่อให้ลาดให้เลือดลมมันเดินสะดวกมันจะได้เกิดหูตาสว่างขึ้นนี่เป็นอุบายข้อที่สี่แต่ว่าอุบายข้อที่สี่นี้ถ้าหากว่ยังละไม่ได้ เนะือก็ให้อธิอบายข้อที่ห้าต่อไปเพราะเหตุที่ว่าข้อที่สี่นี้การยอนหูนี้อาตมาก็ได้เห็นมาแล้วบางบางเด็กบางคนเวลาจะนอนหลับนี่ให้แม่ของตัวเองนั้นหาไม้หรือว่าไอ้ขนนอกอ่อนๆมาเขี่ยที่หูแล้วเขี่ยที่ช่องหูแล้วปรากฏว่าไม่กี่นาทีแกก็หลับไปนีห่หมายความว่าการยอนหูนี่บางครั้งก็ทําให้หลับไปได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าทําให้ตาสว่าง ถ้าหาวเป็นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ใช้ข้อที่หคือถ้าหาวยังละไม่ได้แล้วแต่นั้นเธอควรลุกขึ้นยืนแล้วใช้น้ําล้างหน้าหรือที่เรียกว่าใช้น้ําลูกในตาเสียเหลียวดูทิศทั้งหลายเงันดูดาวนาักขัตเลอรข้อนี้แหละจะเป็นเหตุให้ท่านละความง่วงได้คือว่ายังไม่หายงงอยู่ก็ให้ลื้ให้ตื่นขึ้นให้ลุกขึ้นแล้วใช้น้ําล้างหน้า เมื่อได้ความเย็นของน้ําไปลูบเขแล้วตาหูจะได้สว่างไอ้ที่ง่วงแล้วมันจะได้สว่างขึ้นแล้วก็เหลียวดูทิศทั้งหลายทั้งสี่ทิศแล้วก็เง็นดูดวงดาวเพื่อให้แสงสว่างนั้นมันเข้าตาจะได้ให้รู้สึกว่าอ่าเกิดความหายง่วงขึ้นแจ่มใสขึ้นมานี่ในข้อที่ห้าแต่ว่าข้อที่หกแต่ว่าถ้ายังละไม่ได้ พระองค์ก็ทรงให้เปลี่ยนวิธีใหม่ในข้อที่หกนี้พระองค์บอกว่าตรัสไวว่าแต่นั่นเธอควรทำในใจซึ่งอาโลกะสัญญาคือความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนมีใจเปิดเผยชนิดไม่มีอะไรห่อหุ้มทาจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดข้อนี้จะเป็นเหตุให้ท่านละความง่มงันได้ ในข้อหกนี้พระองค์ให้ทําอาโลกัสัญญาคําว่าอาโรอาโลกัสัญญานี้หมายถึงว่าอาโลกันี้แปลว่าแสงสว่างอาโลกัสัญญาก็หมายความว่าให้มีความสําคัญว่าเป็นแสงสว่างเสม อ, อทําไมพระองค์จึงตรัสว่าอให้ทําอาโลกัสัญญาให้มีแสงสว่างเสมออันนี้คือคนบางคนนั่นนะ่ะถ้านอนแล้วมีแสงสว่างนอนไม่ได้นอนไม่หลับบางคนเวลาจะนอนนี้ต้องปิดไฟหมด แล้วเวลากลางวันนี้นอนไม่หลับเพราะแสงสว่างมัเข้าตาถ้าไม่ดับไฟนอนไม่หลับให้ง่วงยังไงก็นอนไม่หลับนี่เพราะฉะนั้นการที่พระองค์นั่นให้อุบายแก้ง่วงประการหนึ่งคือข้อถกนี้คือให้ทําอารมณ์สัญญาให้นึกว่ามีแสงสว่างอยู่เสมอให้มีความให้นึกว่ามันเป็นแสงสว่างเสมอให้เห็นเหมือนกลางคืนกลางวันก็ให้มือให้มีเหมือนกันหมดทํานในสมัยโบราณสมัยก่อนทํำยาก เพราะกลางคืนนั้นต่อหากว่าจิตใจเราไม่เป็นสมาธิหรือไม่แน่แน่จริงเราจะเห็นจะทําในกลางคืนนี้ให้มันสว่างเหมือนกงวันี่เห็นจะยากแต่ในปัจจุบันนี้ง่ายเพราะเรามีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในเวลากลางคืนนั้นเราจะทําให้มัอนกลางวันกันได้คือเราเปิดไฟใช่หมให้สว่างสวไสพขึนก็แลดูมือนที่กลางวันเนี่ยเมื่อแสงสว่างเข้าในตาทีนี้แล้วบางท่านจริงนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จริงให้ทําอาโล ก, กสัญญาแต่ว่าบางคนนั้น ไม่แน่แสงสว่างก็นอนหลับได้คือบางคนไม่เลือกขอให้ง่วงสักอย่างเดียวท่านเองในที่มืดหรือในที่สวานน่างนอนได้แถงนั้นแต่บางคนก็ยังแปลกไปกว่านั้นเวลานอนแล้วต้องตามไฟไม่ตามไฟไม่ได้ใครๆว่าอยู่ในความมืดมึงกลัวๆ ก, กับนอนไม่หลับสอิอีนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังมีธรรมอาโลกัสัญญานี่แล้วยังไม่หายง่วงพระองค์ก็ให้เปลี่ยนวิธีใหม่เป็นวิธีที่เจ็ด <c oughs> ในวิธีที่เจ็นั้นพระองค์ทรงสอนว่าแต่นั้นเธอควรอธิษฐานที่จงกรมกําหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสํารวมอินทรีย์หนีจิตไม่คิดไปในภายนอกข้อนี้แหละจะเป็นเหตุให้ท่านละความโง่นั้นได้ในข้อที่เจ็ดนี้พระองค์ทรงให้อธิษฐานที่จงกรมคือเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาอย่างที่พูดที่จเจริญกรรมฐ า, านเดินชี่ อย่างแบบสํานักวมาท่านนี้เขาใช้คําว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอคือมีสติกําหนดอยู่ที่เท้าอยู่เสมอทั้งที่จะยกขึ้นจะเหยียบลงก็มีสติให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเช่นนี้ไม่ให้มีจิตเนี่ยคิดฟุ้งไปนอกไปกว่า น, นี้ไปในทางอื่นนี่ให้ริฐานที่จงกรมให้เดินที่จงกรมแล้วก็หมดหมายเดินกลับไปกลับมาสมมํารวมอีกรี่ให้มีจิตอยู่ที่ตัวเราเสมอ อันนี้แหละจะเป็นเหตุให้ละความง่วงใดแต่ถ้าหากวยังละไม่ได้พระองค์ก็ให้เปลี่ยนเป็นวิธีที่แปดวิธีที่แปดนี้พระองค์ก็ตืนว่าแสนนั้นเธอควรสำเร็จสีหาสยญาติคือ น, นอนตะแค ง, งข้างขวาข้างเบื้องขวาลงซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันที่จะลุกขึ้นไว้ในใจ พอตื่นขึ้นแล้วก็รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนเราจะไม่ประกอบความสุขในในการเอนหลังเราจะไม่ประกอบความสุขในการเคลิ่มหลับโมคลานะเธอควรสำเหนียกใจอย่างนี้และนี่เป็นอันดับสุดท้ายข้อทีแปดคือในข้อที่แปดนี้พระองค์เห็นว่า ทั้งเจดข้อที่กระทํามาเบื้องต้นนั้นยังไม่หายง่วงก็แสดงว่าร่างกายของเรานี้อ่อนเพลียเลียต็มทีแล้วอ่อนแอเต็มทีแล้วต้องการที่จะพักผ่อนหมายความว่าฝืน ย, ยังไงต่อไปไม่ได้อีกแล้วเพราะร่างกายต้องการจะพักผ่อนเพราะอ่อนเพลียเต็มทีอันนี้พระองค์ก็ทรงไม่ให้ฝืนคือทรงให้นอนเสียนะ <c oughs> ที่กล่าวว่าเธอควรสําเร็จสีหาสายญาติคือนอนตั้งแขรงข้างขวานั้น ความจริงในข้อนี้นั้นที่พระองค์ให้สำเร็จสีหัสยญาตนนั้นคือให้นอนนั้นน่ะหมายความว่าเมื่อ น, อนอนและให้นอนอย่างแบบคนมีสติจึงได้ยกมาเป็นสีหัสยาติคือการนอนแบบราชสีคือตามตานานกะะล่าวว่าราชสีเนี่ยราชสีนี่ก็คือสิงโตนั่นเองนะสีหะนี่ก็คือสิงโต ที่เรารูกกันในานามาสิงโตราชสีคือราชสีหานี่ก็หมายความว่าสิงโตที่เป็นตัวจ่าฟูงเพราะฉะนั้นพระองค์ให้ให้สำเร็จแบบสีหสย่ะคือให้นอนแบบสิงโตตามด้านั้นท่านกล่าวว่าสิงโตเนี่ย <c oughs> นอนมีสติมากในขณะที่เขานอนไปสิงโตที่นอนอยู่เนี่ยตอนที่จะหลับนั้นเขาจะพุงหมกศีรษะเขาดูดูว่าท่าทั้งสี่นี่เกหางอีกหนึ่งนั้นวางอยู่ในที่ใด เขาจะจําไว้แล้วก็ทุกสีตะหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเขาอสิงโตนี้ยังไม่ลุกขึ้นทันทีจะนอนพอ ร, รู้สึกตัวตื่นก็จะนอนแบบธรรมดานั้นยังไม่ลุกและพงกสีตะดูใหม่ <c oughs> ดูว่าเท่าทั้งสี่ของตัวเองแล้วก็หางนั้นยังอยู่ในที่เดิมหรือเปล่าถ้าหากว่าเท่าทั้งสี่กับหานั้นไม่อยู่ในที่เดิม กวาดแกงไปทางโน้นทางนี้เขาก็จะตวนตนเองว่าลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่จริยาของเจ้าแล้วเขาจะทำโทษตัวเองเขาเองคือวันนั้นไม่ยอมออกหากินยอมอดอาหารทั้งวันเพื่อเป็นการทรมานตัวเองในการที่วันนอนไม่เป็นระเบียบเลยจะนอนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเมื่อเห็นตัวเองนั้น ตื่นขึ้นมาแล้วเท้าทั้งสี่กับหางอีกหนึ่งนั้นยังอยู่ในที่เดิมก็จะลุกขึ้นสะบัดสะบูหัวสะบัดหางแล้วก็เปล่งสีให้นาดพอใจว่านี่แหละคือกิริยาของเจ้าแล้วถึงจะออกไปหากินนี่ลักษณะของที่โตนะเขานอนมีระเบียบอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงจริงได้เอามาเปรียบเทียบให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนอนแบบสีอาศัยญาณ คือความมุ่งหมายจริงๆนั้นคือให้นอนแบบเป็นคนที่มีสตินะแต่การจะนอนนั้นนะจะตะแคงขวาตะแคงซ้ายนั้นก็เห็นจะไม่จําเป็นนะการตะแคงขวาตะแคงซ้ายนี้เป็นลักษณะของคนที่ว่าสุดแท่แต่ว่าใครจะถนัดแตอย่างไรบางคนก็อาจจะถนัดไปในท้องทางทางนอนหมายก็ได้แต่ว่าที่ให้นอนนั้นที่เตือนให้แบบศีสยานั้นคือความมุ่งหมายจริงคือให้นอนแบบมีสติ เราจะเห็นได้ว่าปูุ้ชนเราทั้งหลายน้นอนนไม่ค่อยมีสติบางคนนอนตื่นขึ้นมาแล้วไม่อยู่ในสถานที่เดิมเท้าหมุนไปทางโน่นบ้างพิษะหมุนไปทางนี้บ้างท่านนอนรวมกันมางทีเอาเท้านนั้ไปป่ายคนโน่นบ้างคนนี้บ้างทั้งๆบางคนบางทีนอนขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วหาผ้านุ่งไม่เจอก็มีนี่แสดงว่าเป็นคนที่หว น, นอนแบบเป็นคนที่ไม่มีสติ เพราะฉะนั้นพระองค์ก็สั่งตรัดสอนโมคขลานะเนี่ยเตือนว่าให้สําเร็จศีเสย่าคือให้นอนแบบคนมีสตินะแล้วกําหนดหมายที่ว่าจะลุกขึ้นไว้ในใจเมื่อรู้ตัวขึ้นมาก็สะดุ้มเมื่อรู้ตัวขึ้นมาก็รีบรุกขึ้นมาบำเพ็ญความเพียรต่อไปไม่ใช่พอรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ขออีกหน่อยอนึง อ, อีกหน่อยหนึน่งก็เลยสว่างกันนี่คือให้เรารู้ว่าการที่เรานอนนี่เพื่อพักผ่อนร่างกายที่มันเพรียจากนั้น ไม่ใช่ไวเห็นแก่การสุขในการนอนในการเอ็นหลังหรือในการเครื่องหลับนี่แหละพระองค์ทรงกล่าวอุบายทั้งแปดข้อเป็นเครื่องระงับความแก้งวงและพระองค์ก็ได้ตรัสสอนต่อไปว่าอันหนึ่งโมกคลันะเธอควรสำเนกไว้ในใจอย่างนี้ว่าเราจักไม่ชูงวงคือผิวตัวเข้าไปสู่สตูลคำว่าไม่ชูงวงนี่เอาคาของช้าง มาเปรียบเทียบช้างตัวใดที่มีมานะจักเดินไปที่ใดจะชูมงงอยู่เสมอคือลร่องงงในตกเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้คําว่าไม่ชูง ง, งนี้ก็หมายความว่ายังมีมานะคือการถือตัวเข้าไปสู่สกูลจะเข้าไปสู่สกูลใดสกูลหนึ่งนั้นอย่าเห็นตัวเองเป็นเทวดาเนี่ยพระองค์ทรงสอนอย่างนั้นคืออย่าไปถือตัวเพราะว่าถ้าพิจุรูปใดก็ตามชู ง, งงเข้าไปสู่สกูลและกิจการในจเจตะกูลนั้นเขามีอยู่ นะซึ่งเป็นเหตุที่ว่าทำให้มนุษย์นั้นเขลืมนึกที่จะมาออกมาต้อนรับใดนะพิสูจน่นั้นก็จะคิดว่าเดี๋ยวนี้ใครยุยงให้เราแตกจากตระกูลนี้เนาะนี่คือบางครั้งต้าเราไปสู่ตระกูลหรือไปสู่บ้านของตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพรเอินเขามีงานเขาไม่ว่างที่จะมาต้อนรับเราบางทีเขาก็ยังไม่มีโอกาสก็หรือมีงานอื่นทำทาให้เขาเฉยใช่ไมมออดไม่อาไม่ อ, าน ม, อานมาต้อนรับ ถ้าเราเป็นคนมีมานะถือตัวว่าตนเองนี่เป็นคนสูงเป็นอะไรอะายไม่มีเขามาตอนรับก็จะเกิดจิตใจคิดไปในทางต่างๆว่าเขาอาจจะไม่เลื่อมใสเราหรือใครยกย่องให้เลิกความเลืมใสแล้วก็ได้ <c oughs> นี่เมื่อเราคิดเช่นนี้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเก้อเขินเข้ากับเขาไม่ติดนะเมื่อเมื่อมีความกเก้อเขินแล้วจิตใจก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตใจฟุ้งซ่านแล้วก็จะเกิดความไม่สมบวัขึ้น เมื่อจิตใจไม่สมรวมแล้วก็จะทำให้จิตใจเนี่ยห่างไปจากสมาธิอันนี้ก็จะเป็นผลอันตรายแห่งการบรรลุธรรมเพราะจิตใจห่างสมาธิอันหนึง่งเธอควรสาเนกไว้ในใจอย่างนี้ว่าเราจกไม่พูดคำที่เป็นเหตุเถียงกันหรือถือผิดกันเพราะว่าคำที่เป็นเหตุเถียงกันหรือผิดถือผิดกันนี่จาจะต้องพูดกันมากเมื่อพูดกันมากขึ้นจิตใจก็จะฟุ้งซ่านเหมือนกัน คือคําใดก็ตามที่ว่าพูดกันแล้วไม่ตรงกันเถียงกันหรือถือผิดกปคนหนึ่งไอ้อคนนี้วันนี้ดีคนนั้นวันนั้นดีถ้าเราไม่เราไปเถียงกันซะว่าเราชอบอย่างนี้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีมันก็จะเกิดเถียงกันเพราะจิใตใจของคนเราเนี่ยมันนานตะต่างๆกันคนหนึ่งชอบสีนั่นคนนี้คนนี้ชอบสีนั้นเราจะพูดว่าสีใดไม่ดีไม่ได้เพราะเมื่อเราพูดอย่างนี้แล้วก็จะเกิดมีการเถียงกันขึ้นพูดกันมากเมื่อพูดกันมากไปพูดกันมากมาจิตใจก็จะฟุ้งซ่านอีกเหมือนกัน เมื่อจิตใจฟุง้งซ่านแล้วก็จะเกิดความไม่สมรวมเมื่อไม่สมรวมแล้วก็จะห่างสติสมาธิอันนี้ก็จะเป็นอันตรายแก่มรรคผลนิพพานเหมือนกันในข้อตอบไปต่อไปพระองค์กตรัสว่าอันหึ่งโมฆารนะเราหาสรรเสริญการคุกคลีโดยประการทั้งปวงไม่แต่ไม่ใช่ว่าความคุกคลีโดยประการทั้งปวงมาเลยมันจะติความคุกคลีโดยประการทั้งปรวงมาเลยคือเราไม่สรรเสริญการคุกคลีด้วยหมู่คนะ ทั้งคระหัและบันเชิตแต่ว่าเสนาสนะที่ใดอันเงียบสงับปราศจากรมแต่คนเดินเข้าออกควรเป็นที่ประกอบของผู้ที่ต้องการความสงัดควรเป็นที่หลีกล่นของผู้อยู่ตามสมณวิสัยเราสนรเสริญการทุกขี ด, ด้วยเสยนาสนะนนั้นก็ใจความก็คือว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพระโมคคัลลา น, นะว่า อย่าคลุกคลีด้วยหมู่คณะคือการที่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมันก็มีแต่การคุยการอะไรกันมากที่จะได้บำเพ็ญสมณธรรมก็น้อยไปนแบบนักเรียนเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเพื่อนมากคลุกคลีกับเพื่อนมากการที่จะดูหนังสือสอบมันก็น้อยไปนี่ฉันได้ก็ดีเพราะฉนั้นพระองค์ทรงสอนว่าเตือนว่าให้ยินดีในเสนาสนะสงัดคือหมายความว่าอยู่ในที่สงัดที่เวกเพียงคนเดียวเพื่อจะได้ประกอบสมณธรรม ได้อย่างเต็มที่นี่แหละเมื่อพระบรมศาสดาตาัดเช่นนี้แล้วท่านพระโมคคัลลานะก็จึงได้ทูลถามว่าเมื่อว่ากล่าวโดยย่อแล้วด้วยข้อปฏิบัติมีเพียงเท่าไหร่ภิกษุชื่อวันน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัญหามีความสำเร็จล่วงส่วนกเกษมจากโยคะโยคะธรรมล่วงส่วนเป็นพรหมจารีบุคคลล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐสุดกิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็ถือว่าพระโมคคัลลานะถามว่าเมื่อกล่าวโดยย่อดแล้วข้อปฏิบัติมีเท่าไหร่ท่านพระโมคคัลลาน์แอบพระพร ะ, พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโมคคัลลานะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าบรรดาธรรมทั้งปงวงไม่ควรยึดมั่นท่านได้สดับดังนี้แล้วเธอทราบชัดด้วยปัญญาอย่างยิ่งท่านทราบชัดโดยปัญญานั้นแล้วก็กําหนดรู้ธรรมทั้งปวงเมื่อกําหนดรู้แล้วเธอจะเสวยสุข ทุกอย่างใดหรือไม่ใช่สุกตามเมื่อพิจารณาเช่นนี้โดยปัญญาเป็นเครื่องหนายพิจารณาเห็นธรรมเป็นเครื่องดับเป็นเครื่องสละคือเมื่อพิจารณาเช่นนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นด้วยอะไรทั้งหมดในโลกนะเมื่อไม่ยึดมั่นแล้วก็ไม่สะดุ้งไม่วาลกลัวอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัหามพระพุทธองค์นั้นก็ตรัสว่า ครอสอนเรียกว่าว่าก็ไดย้ย่อคือว่าพระองค์ไม่ให้ยึดมั่นถือมัน่นเมื่อพระท่านพระโมคคัลลานะถามที่นั้นพระองค์ก็ตรัสว่าทำโดยย่อคือกข้อปฏิบัติโดยย่อนั้นคืออย่ายึดมั่นถือมัน่นในธรรมโดยการทั้งปวงสิ่งใดสิงหนึ่งก็ตามอย่าไปยึดว่ามัน่นยึดมั่นถือมัน่นว่านี่เป็นของเรานี่เป็นของเขาหมายถือว่าเป็นเพียงสภาวะเท่า น, นั้นอันนี้แหละจะเป็นเหตุที่เรียกว่าภิกษุชวนน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นสันหา จะมีเกษมจากโยคธรรมมันลว่มสวมกเ็เสสุกเทวดาทั้งหลายท่านพระโมฆลลา น, นั้นปฏิบัติตามโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงสัง่งสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันในวันนั้นเองเอาละท่านาผู้ฟังและท่านนาักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอหยุไว้เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร